829ก็ภิกษุณีใดเทหรือใช้ให้เทอุจาระหรือปัสสาวะอยากเยื่อหรือของเป็นเด่นลงบนของเขียวต้องอบัดปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ